เรื่องท่านพระอาณนนท์แจ้งพรหมทันแก่พระชนนะต่อมาท่านพระอานนท์เข้าไปที่โคสิตารามครั้นแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้ ลำดับนั้นท่านพระฉันนะได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่พักครั้นแล้วอภิวาทนั่งณนะที่สมควรท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับพระช น, นะดังนี้ว่าท่านฉันนะสงได้ลงพรหมทันแก่ท่านแล้วท่านพระชนนะถามว่าท่านอานนท์ พระมทันที่สงลงแล้วเป็นอย่างไรขอรับท่านพระอานนท์ตอบว่าท่านฉันนะท่านพึงพูดได้ตามที่ปรารถนาภิกษุทั้งหลายจะไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนไม่พร่ำสอนท่านท่านพระฉันนะถามว่าท่านอานนท์ เพราะเหตุที่ภิกษุทั้งหลายไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนไม่พร่ำสอนผมเพียงแค่นี้ผมชื่อว่าถูกกาจัดแล้วแล้วสลบล้มลงที่นั้นเอง